วนนีโ้โยมเยอะนะก่อนอื่นหลวงพ่อบอกพวกเราหน่อยเดือนหน้าหลวงพ่อไม่ได้ของงดนะทางนี้ของงดนะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อขี้เกียจนะหาหลวงพ่อไปเที่ยวสงกรานอะไรเงี้ยยหลวงพ่อก็ดีใจด้วยนะพวกเราสดใจกันศึกษาปฏิบัติธรรม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 เราถึงจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้ถ้าลำพังเราทาทานถือศีลอะไรอย่างนี้หรือทำสมาธินะาศาสนาอื่นเขาก็มีอย่างมุสลิมเนี่ยถึงปีเขาต้องจ่ายเงินนะเลขสากาดจ่ายสกาัดให้เอาไปช่วยสังคมเฉะลี่ยหรือการทำสมาธิเขาก็ทำนะอย่างการทำละหมาดวลาห้าครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำสมาธิ น, นั่นเอง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 นี่เป็นผลของการศึกษาการปฏิบัติธรรมยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติถูกต้องมากเข้ามากเข้าเนี้ยต่อไปนะจิตใจยิ่งเป็นอิสระถึงอยู่สุดท้ายอิสระจริงๆจิตใจเป็นอิสระนะไม่เราไม่ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาให้เป็นภาระกดท่วงตัวเองมันเป็นความสุขซึ่งชาวโลกนึกไม่ถึงนี่เราจะเคารพเราจะรักพระพุทธเจ้าสู่หัวใจเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมจนเราเห็นผลแล้วเนี้ย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 ถ้าเราเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราจะมีพ่ออีกคนพ่อแม่ทั่วๆไปเนี่ยทำให้เราเกิดอยู่ในสังสารวัตรนะแต่พ่อแม่อีกท่านหนึ่งนั้นคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เราพ้นจากสังสารวัตรเราจะเกิดไปอีกแบบหนึ่งเกิดในอริยชาติอริยตระกูลมันจะมีความสุขผิดกันมากเลยชีวิตทางโลกก็ลุ่มรุ่มดอนดออย่างนี้นะงั้นเราสนใจ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 กสติปัฏฐานเนี่ยแรกเลยเราต้องรู้กายรู้ใจตัวเองการรู้กายรู้ใจตัวเองเนี่ยต้องรู้อย่างที่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมนี่ยถ้าจะพูดแบบให้ดูคลืมๆหน่อยนะก่อนจะเทศพระท่านจะต้องยกบาลีเห็นไหมแต่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ยกนะวันนี้ยกสักหน่อยก็ได้นะบุตสาไปท่องมานะ <c oughs> ท่านบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารตนะิมีกายในกายเนี่ยเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่นะอาตาปี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 แต่นักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะเอาอารมณ์กรรมฐานมาเป็นคุกขังใจนะเช่นจะเราจะอยู่กับลมหายใจเราจะบังคับตัวเองให้รู้แต่ลมหายใจห้ามรู้อย่างอื่นนะถ้ารู้อย่างอื่นถือว่าไม่ดนะีมันไม่ดีจริงนะในแง่ของสมถกรรมฐานแต่ในแง่ของวิปัสสนากรรมฐานนะเราไม่ได้เอาจิตไปติดคุกนะทันทีที่พวกเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วเราบังคับตัวเองเราบังคับเมื่อไหร่เนี่ย จิตใจจะห น, ห น, ак, หน ак, anın, หักๆแน่นๆแข็งๆขึ้นมาเลยทื่อๆนะแข็งขึ้นมาหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้มีแต่ความอึดอัดนะแล้วจงใจปฏิบัติเมื่อไรอึดอัดเมื่อนั้นเลยจงใจไปรู้ลมหายใจก็อึดอัดจงใจไปรู้ท้องผองยุบก็อึดอัดนายกเท้ายั่งเท้าแล้วจงใจไปรู้อยู่ที่เท้าก็อึดอัด อ, อีกทําอะไรอะไรมันก็อึดอัดไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตมันไปติดคุกคนติดคุกมันมีความอึดอัดนะแต่หลวงพ่อไม่เคยติดนะนี่เดาๆเอานะ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 ถ้าจะอยู่อย่างอยู่เป็นบ้านแล้วก็หายใจไปหายใจออกก่อนนะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปใจเราอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้หายใจไปหายใจไปใจเราหนีไปที่อื่นเราก็รู้ไหมหายใจไปเราเห็นร่างกายนี่หายใจอยู่นะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นร่างกายหายใจร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจก็เหมือนกันจิตใจที่ไปรู้ร่างกายที่หายใจเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นหรือมันถล่มลงไปเพ่งลมหายใจ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 เราจะเห็นร่างกายมันพองร่างกายมันยุบนะรูปมันพองรูปมันยุบใจอยู่ต่างหากใจเป็นแค่คนดูเหมือนเราดูตัวเองเมื่เราดูตัวเองเห็นร่างกายมันขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเหมือนกันหมดนะจะใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรอย่างใช้อิริยาบทสเนี่ยเราก็เห็นร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนอนถ้าทําสัมปชัญญะบับพะร่างกายมันคู่ร่างกายมันเหยียดมันเดี่ยวซ้ายแลกวาแล้วเราก็รู้สึกเอา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 เราจะอยากได้ดีอยากสุขอยากสงบใชเราจะทำด้วยความอยากอยากได้ดีอยากสุขอยากสงบอยากจะพ้นจากความชัว่วอยากจะไม่มีความทุกข์อยากให้ใจมันสงบอะไรเนี่ย so, เราต้องการเราปฏิบัติด้วยความต้องการด้วยความอยากเพราะงั้นสติปัฏฐานจะทำด้วยความอยากไม่ได้กิเลสไม่เล่าร้อนนะแต่เราจะเร่าร้อนเพราะกิเลสเช่นใจเราไม่สงบเราอยากให้สงบเนี่ยบังคับมันบังคับมันนะใจจะไม่มีความสุขเลยใจจะเร่าร้อน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 นะไม่ใช่อยู่ๆเราก็อยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์อยากปฏิบัติอยากได้มรรคผลนิพพานใช่หไหมมีคําว่าอยากเต็มไปหมดเลยอยากเสร็จแล้วก็ลงมืออา้าวไปเดินจงกรมนะเดินเดินไปนะโอ้เดินมาส10บรอบแล้วเมื่อไหร่จะได้มรรคผลนิพพานน ะ, ะเดินอีก10รอบยังไม่ได้อีกแล้วนะเดินสองวัน3วันยังไม่ได้อีกล ะ, นะ ง, กละงุนหงิดนะภาวนาแล้วก็แต่ว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะไดนะ้เนี่ยจิตใจเล่าร้อนแนละไม่ใช่กิเลสเล่าร้อน แต่ถ้าเราฝึกไปเรารู้กายสติะระลึกรู้กายปั๊บนะกิเลสจะดับเองนะสติะระลึกรู้จิตปั๊บเนี่ยกิเลสจะดับเองยกตัวอย่างอย่างเราใจลอยอยู่เราใจลอยแล้วเผลอเผคิดคิดไปเรื่อยๆพอสติะระลึกได้ว่าเผลอไปแล้วเนี่ยความเผลอจะดับอัตโนมัติเลยความใจลอยดับอัตโนมัติโมหะคือความฟุ้งซ่านนั้นดับอัตโนมัติใจเราจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเนะนี่เรียกว่าเราทํากิเลสให้เราร้อน ตัวต่อไปที่ต้องเข้าใจนะคือสัมปชัญญะสัมปชานโนหรือสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้มีสอย่างนะ right. เ, เราจะทําอะไรเราจะทําเพื่ออะไรเราจะทําอย่างไรน yes. ี่สามแล้วนะเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอเราต้องรู้ชัดอย่างนี้4อย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะงั้นอย่างเราจะทํากรรมฐานเราต้องรู้นะเราจะทํากรรมฐานอะไรจะทําสมถะหรือจะทําวิปัสสนา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 คนไหนชอบลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจคนไหนชอบพิจารณาปฏิกูณาสุภาษพิจารณาความตายก็พิจารณาไปคนไหนชอบดูท้องของยุบก็ไปเพ่งท้องไว้ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยจิตใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตใจไม่วกแวกไปจิตใจมีความสุขแต่ถ้าจะทําวิปัสสนาจะทําอย่างไรวิปัสสนาต้องการเห็นความจริงวิปัสสนาไม่ต้องการความสุขความสงบความดีแต่ว่าถ้าเราเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตจะสุขจิตจะสงบจิตจะดียอัตโนมัตินะ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 นี่เรียกว่าเรามีสัมปชัญญะพอเรารู้อย่างสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆเราจะเกิดสัมปชัญญะตัวสุดท้ายขึ้นมาใจเราจะตื่นขึ้นมาจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่หลงไม่เผลอดะรู้สึกตัวตัวนี้เรียกว่าอาสัมโมหะสัมปชัญญะใจเราจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาถัจากนั้นเราจะมาเจริญสติแลนะเจริญสติพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ เ, เบิกบานแล้วสติมันจะระลึกรู้กายสติมันจะระลึกรู้ใจระลึกของมันเอง นะไม่ต้องเจตนาะระลึกนะถึงจุดนี้ไม่มีสายกายสายจิตแนละ้วสติบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้จิตเอาแน่ไม่ได้เราสั่งไม่ได้นะถ้าะระลึกรู้กายมันจะเกิดปัญญานะเห็นเลยว่าร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเราเนี่ยภาวนามาถึงจุดนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วเพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมานะเป็นผู้รู้ผู้ดูไดนะ้มีความรู้สึกตัวรู้ตื่นเบิกบานอยู่ รู้พอสติรู้กายปับ๊บเนี่ยจะเห็นเลยกายไม่ใช่ตัวเราหรอกนะปัญญามันจะเกิดนะหรือสติไประลึกรู้จิตมันจะเห็นเลยจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนนะใครดูออกบ้างไ้ยจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนนะถ้าภาวนากับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็จะเห็นนะจิตใจนี้ไม่เคยหยุดพักเลยนะทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งหลับทั้งตื่นทางานไม่เลิกนะเราจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันก็บังคับไม่ได้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 เดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อให้รูปมือรูปคนอื่นสัมผัสดูนะรู้สึกไหมมันเป็นท่อนๆรู้สึกไหมมันแข็งแข็งนะมันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเราเนะี่ยสัมผัสลงมานะรู้สึกไหมมันไม่ได้บอกเลยว่ามันคือตัวเรานะตัวเราคือความคิดเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วไอ้ท่อนนี้ไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเราเนะีนะ่ยพัจิตใจเรามีสติจริงๆมันระลึกถ้ามันระลึกัวในร่างกายนะนก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่เรา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 นี่เรียนรู้ลงไปนี่เรียกว่าทำสติปัฏฐานนะทำสติปัฏฐานนี่รู้ลงมาจนกระทั่งในที่สุดเราเห็นความจริงของกายของใจพอเห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางถ้าจิตปล่อยวางเรียกว่าวิมุตนะจิตหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจพอจิตหมดความยึดถือกายยึดถือใจเราจะพบสันติสุขที่แท้จริงนะทุกคนแสวงหาความสุขแต่ความสุขที่พวกเรารู้จักนี่เป็นความสุขที่ลุ่มลุ่มดอนๆ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 เราเห็นเลยกายมันก็เคลื่อนไหวไปไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะความโลภเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราโลภความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราโกรธนะมันเป็นสภาวะธรรมล้วนๆมีแต่สภาวะธรรมล้วนๆไม่มีเราเนะนี่ยเห็นอย่างนี้นะมันจะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องมีสติบ่อยๆนี่จบสติปัฏฐานนะความจริงมีอีกหน่อยนึงนะสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนเอาไหมเอาไหมเอา สติปัฏฐานมีสองสเตปนะสองขั้นตอนอันแรกขั้นแรกทําไปเพื่อให้เกิดสติขั้นที่สองทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดนะทําให้เกิดสติสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้เงี้ยสติปัฏฐานเบื้องต้นมไม่ได้ทําให้มีปัญญาอะไรนะให้เราคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะอย่างใช่เช่นใจเราไหลไปคิดเราก็รู้ทันใจเราไหลไปเพ่งเราก็รู้ทันใจเราเป็นสุขเราก็รู้ใจเราเป็นทุกข์เราก็รู้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 จิตมันขยับเ ข, ขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรนี่นะเป็นเรื่องทางใจแล้จิตมันก็สั่งให้กายทํางานนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์มันก็ทําให้จิตเกิดวันไหวยินดียินร้ายขึ้นมาแม้มันเนื่องกันหมดนะทั้งกายทั้งใจภาวนาแล้วไม่ใช่ว่ารู้อันเดียวนะจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจถ้ารู้ถูกต้องนะถ้าทําผิดเพ่งลูกเดียวก็มีแต่กายหรือหรือใจอันเดียวหรือเพ่งไปเพ่งไปกายหายไปก็มีในพวกอรูปฌานบางคนเพ่งไปกําหนดไปเรื่อยๆนะ ใจหายไปเหลือแต่ร่างกายนี่เรียกว่าพรมลูกฟักสัญญาสัตตาไม่ยากนะไม่ยากอะไระใครจะคุยอะไรบ้างวันนี้เชิญมีเวลาสักชั่วโมงน้ัมศการหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อสอนว่าโยมยังติดเพ่งอยู่โยมไม่แน่ใจว่าตอนนี้โยมพยายามปล่อยๆแล้วผลเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแนละ้ว แล้วโดยรวมแล้วโยมปฏิบัติเป็นยังไงบ้างแล้วเจ้ค <c oughs> ่ะได้ทําไปเรื่อยๆเจ้ค่ะการภาวนานะต้องใจเย็นๆมันเหมือนการสร้างงานศิลปะชิ้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ศิลปะสมัยใหม่นะมีแปลงอยู่อันหนึ่งปาดชับบอกว่าศิลปะนะเป็น <c oughs> งานศิลปะที่ประณีตคล้ายๆงานแกะสลักอะไรเงี้ยหรือ ง, งานของช่างทองนะครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนท่านเทียบเหมือนกับการเหลาไม้มั่งแกะสลักพระพุทธรูปอะไรเนี้ยนะ ต้องใจเย็นเย็นถ้าเราแกะไปจนสวยนะแล้วใจร้อนแวบเดียวพระพุทธรูปจหมูกแหวงเนี้ยหมดราคาเลยใช่ไหมใจเย็นเย็นเพราะงั้นภาวนาไม่ต้องรีบร้อนนะเวลาเราสะสมกิเลสเรายังไม่รีบร้อนเลยนะนนเวลาภาวนาจะรีบร้อนอะไรนักหนานะค่อยรู้ค่อยดูไปนะดีแล้วอ่ากลับกรรมนวัต ก, การพระอาจารย์นะครับอ่ากระผมได้ปฏิบัติมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับ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 คือใจเราไม่สักว่ารู้สักว่าดูใจเราไปเกลียดความโกรธเนี่ยความโกรธจะไม่หายหรอกนะเพราะใจเรามีกิเลสใจเราไม่ได้มีสตนะิงั้นเวลาที่เราภาวนาเนี่ยถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยอากุศลจะดับทันทนะีแต่วิบากไม่ดับนะวิบากก็จะให้ผลอีกช่วงหนึ่งเช่นถ้าเราไปโกรธใครมาเนี่ยนะถึงความโกรธ ด, ดับไปแล้วนะใจเราจะหมองมองมัวมั ว, มวแข็งแข็งแน่นๆอีกช่วงหนึ่งอันนี้เป็นวิบากอันนี้ต้องรับชะตา ก, กรรม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 ง ไ, งไม่รู้สึกอะไรหมายถึงยังไงคือไม่แน่ใจว่ามันรู้สึกเฉยเฉยนะครับอ่เฉยๆก็คือความรู้สึกเฉยเยนะเฉยๆฉก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งนะแต่ก็รู้ว่าเฉยๆฉยคือปกติเนี่ยพอจิตเป็นกุศลขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตจะมีสองอันอันนึงมีความสุขอันหนึ่งเฉยเฉยแต่ไม่ใช่เฉยแบบแห้งแล้งนะไม่ใช่เฉยแบบด้านด้านซึมซึมทื่อๆนะอันนั้นเป็นอกุศลตัวใหม่เป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะ ย่งจิตของคุณตอนเนี้ยรู้สึกตัวเต็มที่หรือยังอจะมีจะมีช่วงที่ปฏิบัติต่อเนื่องเนี่ยครับเนี่ยขณะเนี้ยขณะจิตนี้เลยเดี๋ยวนี้รู้ตัวยังขณะนี้ไม่ไม่ค่อยรู้ตัวเออไม่รู้ตัวถูกต้องครจิตขณะนี้มีโมหะนะดวกไหมมัวมัวครับผมรู้สึกแน่นมากเลยครับเออเราตื่นเต้นนะโลกแท้ไหมครับผสังเกตไหมจิตขณะนี้กับเมื่อกี้ไม่เหมือนกันแล้ว พอคิดจะเลิกพูดแล้วจิตไม่เหมือนเม่อกี้ดูออกไห ม, มจิตสว่างกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมแล้วดูความเปลี่ยนแปลงไปจิตมันจะเมืดหรือจิตมันสว่างเราเลือกไม่ได้ดูออกเพราะยังมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกครับนะรบนมส ก, การหลวงพ่อคะ่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากคะ่ะแล้วอยากอยากอยากทราบว่าบางทีตัวเองเนี่ยมันมันจะคิดเยอะมากเลยอะ่ะบางทีจะหลงไปนานแล้วความคิดนี่มันจะฟูมากเลยอะ่ะ แต่พอรู้สึกตัวเนี่ยก็บางทีก็กลับมาที่ลมหายใจใหม่เนี่ยบางทีมันก็จะตึงๆนิดหน่อยอะคะอ่ะไม่ทราบว่าปฏิบัติผิดหรือเปล่าคะก็ไม่ผิดเดยเอะนะผิดนิดหน่อยอย่างน้อยก็ยังหาทางกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างจิตใจที่ฟุ้งซ่านไปเนี่ยเป็นอากูศโรจิตจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นมหากูศโรจิต ป, ประกอบด้วยปัญญาถัดจากนั้นเกิดอากูศลตัวใหม่เราไม่ชอบความฟุ้งซ่าน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 โดยเฉพาะจิตที่เป็นกุศลแล้วมีปัญญาทําสติปัฏฐานเนี่ยแทบไม่มีเลยนี่การที่เราฝึกเกี่ยวกับทั่งสติเราเกิดขึ้น1แวบแวบหนึ่งขึ้นมาชีวิตเราขาดเป็น2ท่อนแล้ว是是ก่อนหน้านี้ขาดสติตอนนี้รู้สึกเดี๋ยวจะขาดสติใหม่ชีวิตไม่ได้มียนเดียวละชีวิตขาดเป็นช่วงๆนะพอเกิดสติครั้งเดียวแวบเนี่ยเห็นไหมชีวิตขาดเป็นเป็นสท่อนแล้วหลงไปใช่ไหมมีสติแล้วเดี๋ยวก็หลงอีกเออหลวงพ่อคะแต่ว่ามันไม่ได้ขาด โชอะไรอะค่ะมันคือยังอึ้งๆนิดหน่อยอะ่ะค่ะสติมันยังไม่มีกําลังนะ<อ>ถ้ามันเป็นสติตัวแท้ๆจะขาดสะบ้นเลยนี่ของเรากําลังมันยังไม่พอก็ต้องพยายามมากกว่านี้อย่าอยากให้ขาดเข้าใจไห ม, มถ้าอยากให้ขาดนะจิตเป็นอกุศลจิตมีโลภจิตไม่มีสติหรอกไม่ขาดถ้าสติตัวแท้เกิดนะอกุศลอยู่ไม่ได้ดับทันที ขออนุญาตกับเรียนถามวิธีการการรักษาตัวมัชชิมาปฏิปทาครับผมือก็อยากรู้จักมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางใช่ไหมจะวิธีการรักษาครับผมเดี๋ยวต้องเดี๋ยวลงข้อขอแปลหน่อยมัชชิมาปฏิปทาของคุณหมายถึงอะไรก็คือผมเองเคยไปฟังทำครูบาอาจารย์ท่านแล้วก็ท่าน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 ที่สี่ปัญญานั้นเกิดจากการเห็นความจริงไม่ใช่เกิดจากการคิดเอา น, นถ้าเดินอยู่ในแนวนี้แล้วก็ปลอดภัยกรา บ, บนมัสการหลวงพ่อขอญอาติถามคำถามสองคำถามคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรยาญาณมิตรนะครับคำถามแรกก็คือการเจริญมหาสติปัฐานสโดยเฉพาะในหัวข้อกายานุสติ เมื่อจะลงลึกไปในเรื่องของธาตุหรื อ, อปฏิกูลหรือนภาสีอะไรพวกนั้นนะครับขอญาตเรียนถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องพิจารณาในขณะเข้าสมาธิเรียบร้อยหรือเมื่อจิตสงบก็พิจารณาได้เลยอันนี้เป็นคำถามข้อที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะผมอตอบก่อนถ้าถามสองข้อแล้วจะลืมข้อแรก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 หรือจะทําเพื่อให้เกิดความสงบสติปฐานนี่เป็นกรรมฐานที่มีในยักกว้างขวางบางส่วนเป็นสมถะกรรมฐานเพราะบางคนต้องทําสมถะก่อนถึงจะขึ้นวิปัสสนาในสติปทานเลยมีอารมณ์ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างการพิจารณาป่าช้าเก้าอย่างนี้เป็นเรื่องของสมถะมันข่มราคาทําให้จิตใจเราสงบแต่การพิจารณาพิจารณาทาตุอันนี้ขึ้นวิปัสสนากวนร้านกัน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 จิตถอยออกมาเนี่ยเราเริ่มคิดได้แล้วตรงที่มีความรู้สึกนึกคิดเนถ้าจะพิจารณากายเนี่ยก็ทำได้สองแบบอันหนึ่งน้อมลงไปพิจารณาผมกนเล็บฟันหนังอะไรนี่อาการสามิบสองเนี่ยจิตมันจะกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบเฉยๆอยู่มันจะเป็นสมาธอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธที่ที่สงบไม่ลึกมากอย่างการทำสมาธิ ท, ที่ที่ทำอยู่ก่อนนะผู้ปฏิบัติหลายท่านเลยท่านทาสมาธิอย่างทาํามานาปนาสติจนจิตถึงฌานะ พอใจถึงฌาแล้วขี้เกียจที่จะภาวนาต่อครูบาอาจารย์ก็บอกให้ออกมาพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภา้าเป็นอะไรอย่างนี้พิจณาไปเป็นการกระตุ้นให้จิตมันหัดทํางานไม่ให้ติดความสงบความเฉยจะได้หัดเดินปัญญานี่อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งมีสติรู้ลงไปในกายเลยมีสติรู้ลงไปเลยเห็นในร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุก้อนธาตุนั่งดูลงไปอย่างนี้ดูลงไปตรงๆ เพื่อให้ถอดถอนความเห็นผิดว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นการภาวนาเนี่ยถ้าเราทําไปเพื่อให้จิตสงบนะได้สมถะนะถ้าเพื่อให้ถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกระใจเป็นเรานี่เป็นวิปัสสนามันมันจะพลิกได้สองทางพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยแล้วอีกแบบหนึง่งพอออกจากสมาธิแล้วดูจิตเข้าไปเลยเราจะเห็นในจิตตะกี้มีปีติตอนนี้ไม่มีจิตตะกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีจิตตะกี้สงบตอนนี้ฟุ้งซ่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลย อย่างนี้ก็ใช้ได้มันพลิกแพลงได้เยอะนะครับคำถามเมื่อกี้ขอขอนุญาตลงให้ลึกติดนะครับคือสภาวะจิตปกติแล้วสําหรับผมนะครับ ท, ที่ถามเมื่อกี้ก็มีความสงบพอสมควนก็เลยกราบนามาการถามว่าเรายังไม่เข้าสมาธิเนี่ยมันสงบอยู่อย่างเงี้ยจะพิจารณาได้เลยหรือไม่หรือจําเป็นจะต้องเข้าสมาธิแล้ว ค, คือไม่ค่อยได้ยินนะนะครับ อสองคำถามแต่สองคำถามฮ ะ, มะเมื่อกี้คำถามแรกก็ผมเข้าใจฮะแต่นี้จ ะ, จะลงให้ลึกนิดหนึ่งในคำถามแรกนะถามว่าปกติจิต ผ, ผมเนี่ยสงบพอสมควรนี้ที่กราบนักการถามหลวงพ่อนั้นว่าจำเป็นหรือไม่ในเมื่อเราสงบแล้วเราจะพิจารณาเลยหรือจำเป็นต้องเข้าสมาธิให้เรียบร้อยถ้าจิตอยู่ตรงนี้นะพิจารณาได้เลย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 นะใจจะไม่สบายพนะอพี่นาเสร็จแล้วพยายามเวกลงใจรักไปให้เห็นเป็นาธาตุเป็นขันไม่ใช่ตัวเราไปใจมันจะไม่เกลียดร่างกายนี้หมดเวลาพุโทโธพิี่นากายหรือหมดเวลาหายใจพิี่นากายแล้วเนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญแล้วคือยืนเดินนั่งนอนต้องคอยรู้สึกตัวนะจะเหลี้ยวซ้ายแลกขวาจะขยับตัวจะอะไรคอยรู้สึกไปด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะใจของเราที่เคยฝึกสมาธิมามันจะมีกําลังมันจะทรงตัวอยู่ต่างหากยมรู้สึกไหม มันจะเห็นในร่างกายเนี่ยที่เหลียวซ้ายแลกขวาไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญนะเรามีสติรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวนี้คือตัวที่จเจริญปัญญาจริงๆนะเพราะฉะั้นการเดินแนวของครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยท่านจะมี3นะสเต็ปสเต็ปที่1ทําความสงบเข้ามานะสเต็ปที่2อนะออกมาพิจารณาใช้ความคิดช่วยใช้สัญญานํานะทําไมต้องทําอย่างนั้นนะเพราะส่วนมากคนที่ทําสมาธิแล้วจะติดเฉย ติดแต่ความสงบแล้วไม่ยอมเดินปัญญาขี้เกียจแล้วแหละท่านถึงสอนบอกให้ออกมาออกมาทำงานสเต็ปที่3คือหมดเวลาที่จะพุดโทพิจารณกายในรูปแบบแล้ว ย, ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยให้รู้สึกตัวหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกว่าทำความสงบมากเนิ่นช้าเพราะไปเป็นผลมได้นะเนิ่นช้าได้ทีนึงเป็นหมื่นๆมื่นกลับใช่คิดพิจารณามากฟุ้งซ่านเะั้นพิจารณาพอสมควรพอใจจะฟุ้งนะกลับไปทาสมถะนะพอจิตสงบออกพิจารณา แล้วลงท้ายเนะี่ยพยายามลงไตรลักษณ์ไว้อย่าไปลงที่ปฏิกูลนะเดี๋ยวมันเสอยดเอียนทั้งหมดเวลาพุโทโธพี่นากายแล้วท่านสอนแต่ว่าหัวใจของการปฏิบัตินะคือการมีสติในชีวิตประจำวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวเนี่ยวิปัสสนาจริงๆมันมาเกิดที่ตรงนี้กราบนมัสการค่ะค่ะหลังจากที่ฟังซดีท่านมาได้เป็นเวลาปีกว่า ก็จะขอส่งการบ้านนะคะไม่ทราบว่าควรจะแก้ไขและปรับปรุงตรงไหนบ้างยังบังคับตัวเองอยู่ไหมเออนั่นแหละให้รู้ทันตัวนั้นแหละตัวนั้นมันกวางไว้ก็บางครั้งมีความรู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติธรรมก็รู้ทันความอยากเออแล้วเห็นกิเลสบ่อยไหมวันวันหนึ่งเห็นบ่อยอ่ะดีมากเลยลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเห็นกิเลสตัวเองเยอะๆนะ ยิงเห็นกิเลสทันทีที่สติระลึกรู้เนี่ยกิเลส จ, จะครอบงําจิตไม่ได้นะกิเลสเราเกิดทั้งวันน่ะจะอยากดูหรือไม่อยากดูก็ตามนะกิเลสเกิดทั้งวัน<ช>แต่พอเรามีสติระลึกปั๊บเนี่ยกิเลส จ, จะครอบงําจิตไม่ได้กิเลสมีหน้าที่รักษาจิตปุ้มครองจิตนะเสร็จแล้วมันจะเห็นเลยกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตต่อไปก็เห็นอีกกิเลสไม่ใช่ตัวเรานะจิตก็ไม่ใช่ตัวเรานะตัวเราไม่มีสุดท้ายก็ลงไปเหลือแต่สภาวะธรรมล้วนๆเลย รู้ประามนามธรรมไม่มีเราแต่ตอนเนี้มันเพ่งเยอะไปใช่ค่ ะ, เ, ะเพ่งเพ่งลมหายใจเออเพ่งเพื่ออะไรอาหลวงพ่อเริ่มถามตามหลักของสัมปชัญญะแล้วรู้นั้นว่าเพ่งลมหายใจเพ่ง <c oughs> เพื่ออะไรเพราะบางบางครังง้งแบบมันมีที่ยึดอ่าสติอะไรตรงนี้เอ้ยึดเพื่ออะไรอะ่ะอยากให้สติเกิดระดับใดที่อยากให้สติเกิดเนี่ยความอยา ก, ย, ากยังดำรงอยู่สติจะไม่เกิด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 เป็นสภาวธรรมนามธรรมที่ดูง่ายที่สุดเพราะงั้นความโกรธฝุดขึ้นมาเนี่ยสติะระลึกจําได้ต่อไปจําได้พอโกรธปั๊บนะมันรู้ตัวเองเลยว่าโกรธแล้วไ<ช>นะม่จ ะ, ะระลึกเอง<ช>ถ้าะระลึกแล้วไม่ได้อยากให้หายโกรธนะความโกรธจะขาดสะบั้นลงไปเลย<ช>แต่พอะระลึกแล้วเกลียดมันปั๊บนะความโกรธไม่หายหรอกงั้นเรารู้เรื่อยๆแล้วสติเกิดเองพอสติเกิดเองสติรักษาจิตของเขาเองไม่เราไม่ต้องทําอะไรสักอย่างเดียว ลดความจงใจลงนิดนึงใจยังเร่าร้อนที่จะปฏิบัติใชออ่ตัวนั้นเลิกซ ะ, ะแต่ไม่ได้สอนให้ขี้เกียจน ะ, ะพวกเราไปคิดว่าโมดีบหรือแรงผลักดันเนี่ยต้องเป็นอกุศล น, นะแรงผลักดันฝ่ายกุศลก็มีอย่างหลายคนบอกว่าถ้าไม่โลภแล้วคงขี้เกียจทํางานคิดอย่างนี้ไม่รู้หรอกว่ามันมีแรงผลักดันฝ่ายบวกด้วยไม่ใช่มีแต่แรงแรงผลักดันฝ่ายลบ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 เราได้เห็นครูบาอาจารย์มีตัวอย่างดูมีความสุขแก่มากๆแล้วยังมีความสุขเคยสังเกตไหมคนทั่วทั่วไปแก่แล้วอารมณ์ร้ายส่วนมากอะ่ะใช่ไหมยิงแก่ยิ่งร้ายรู้สึกไหมรวมทั้งพวกเราด้วยนะอย่าลืมตัวเองนะ <c oughs> เราไปมองว่ารุ่นพ่อแม่เรานี่แก่แล้วอารมณ์ร้ายลูกเราก็รู้สึกอย่างนั้นกับเร า, <c oughs> เาไป <c oughs> ถ้าเราเราคอยฝึกนะครฝึกไปจิตใจมันถึงจะพัฒนาขึ้นมีความสุข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 เจ้าค่ะบางครั้งสงสัยงงทำไมถึงรู้เพราะไม่คิดว่าเฉยๆไม่ควรจะเลึะลกรู้ไม่ใช่เฉยๆก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเจ<ช> <นะ S 2> ้าค่ะอะไรก็ระลึกได้อยากจะถามอีกเรื่องนะคะโยมปฏิบัติโดยการดูเวทนาดูเป็นส่วนๆตอนๆซึ่งคิดว่าเป็นวิปัสสนาแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเหมือนตัวหายไปบ้างตัวเล็กลงบ้างอันนัน้นเกิดจากใจเราไม่ตั้งมั่นในการดูใจเราไปเพ่งใส่เวทนา ถ้าใจเราถลําไปดูเวทนานะถลําไหลลงไปอะไปจาะ อ, อยู่ที่เวทนาเป็นสมถะอีกนะเพราะงั้นเวลาก่อนที่เราจะดูเวทนาหรือดูกายนีย่ต้องฝึกจิตให้ตั้งมัน่นนะเพราะงั้นต้องทําสมาธิก่อนอย่าสายโกวเอนก้านะสายคาเวนก้าทําสมาธิก่อนนะใจตั้งมั่นแล้วเป็นคนดูมันจะเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งใจไม่ไหลลงไปที่เวทนานะถ้าใจไหลลงไปเพ่งปั๊บนะเดี๋ยวมันจะหายเป็นท่อนๆไปจ้า นั้นเป็นสมถะแต่ถ้าดูเวทนามนจะเห็นนะเวทนาไม่ใช่ตัวเราไม่จําเป็นว่าเวทนาต้องหายน ะ, ะหลายคนไปดูเวทนาคิดว่าจะภาวนาเอาชนะเวทนานเคยได้ยินใช่ไหมคํานี้นั่งจนชนะเวทนาพิชนะมันทําไมถ้าชนะนะมันจะรู้สึกกูเก่งนะอะแต่ก็ไม่ได้สอนให้แพ้มันนะ<ม>ให้เราเรียนรู้ความจริงของเวทนาเราจะเห็นเลยเวทนาไม่ใช่กายนะเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาเป็น ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะที่ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเวทนามีเหตุเวทนาก็เกิดเวทนาหมดเหตุเวทนาก็ดับเวทนาไม่ใช่ตัวเรานี่เราทำวิปัสสนาเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านีนะ้ไม่ใช่เพื่อจะดับเวทนานะไม่ใช่เพื่อจะดับความทุกขนะ์ไม่ใช่เพื่อให้จิตมีแต่กุศลล้วนๆนะไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรแต่เพื่อให้เห็นความจริงว่าทั้งกายทั้งใจมันไม่มีตัวเรานมะันส ก, การหลวงพ่อกับออตอนนี้จิต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 เป็นพระอาหารหันต์แล้วหลังจากที่าตายไปนะฮะจะจะดับไปเลยไม่มีเกิดไม่มีอะไรอีกคราวนีเ้เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บรรยายนี้ก็เลยเลยสงสัย อ, อ, อยากจะจับ ต, ต้องแยกสภาวธรรมออกนะประมัตถธรรมสี่อันนะใช่ไหมจิตเจตสิกรูปนิพพานต่างก็เป็นปรมัตถธรรมต่างหากนะจิตเจตสิกรูปนะเกิดดับไปเรื่อยๆนิพพานไม่ได้เกิดได้ดับนิพพานไม่เคยหายไปไหนนะ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 ก็ประกอบด้วยจิตเจตสิกกับรูปรูปคืออย่างเช่นร่างกายอย่างนีนกับจิตแล้วจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เจตสิกอย่างพวกโลภโกรธหลงสุขทุกข์อะไรพวกนี้พวกนี้เป็นของที่เกิดแล้วดับแต่นิพพานไม่ได้เกิดแล้วดับนะนิพพานพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปงั้นนิพพานถึงรูปจะแตกจะดับยังไงนิพพานก็ไม่ได้แตกไมด้ดับไปกับรูปด้วยมันก็คงตัวของมันอยู่อย่างนั้นเองแต่คุณอย่าไปคิดว่าจิตเที่ยงนะ ถ้าเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นวิชาที่ตีนะเอาเอาบุพภาคมั์ก็แล้วกันนะวิธีปฏิบัตินะแอ้นั้นเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเข้าใจยากเราชอบไปคิดว่านิพพานคือจิตที่มีความสุขจิตที่มีความสุขไม่ใช่นิพพานนะจิตที่สันติไม่ใช่นิพพานนะสันติต่งหกและคือนิพพานนะคนละส่วนกันนะาการหลงพ่อครับ เมื่อสองเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ผมดูตัณหาความอยากที่มันเกิดขึ้นมาในใจอะครับแล้วก็ดูความคิดตอนที่ตัวเองดึงเข้ามานะครับแลขณะนี้ที่ผมได้ดูความอยากตัวเองว่าอยากจะถามหลวงพ่อแล้วก็มันก็ดับลงมา น, น้อยลงแล้วก็เพิ่มขึ้นตอนรอใหม่ครับเป็นการรู้ถูกต้องยังครับถูกต้องแล้วนะสังเกตไหมตัณหานะั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นเป็นคราวๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไป ดูออกขึยังว่าตัวตันหาตัวแรงดันตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกครับผมสภาวะอันอื่นที่เกิดขึ้นมาเป็นคราวๆนะนํามาทําย่าขึ้นในอกนี้ขึ้นมาเป็นคราวๆก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเลยครับผมธรรมชาติที่ไปรู้ตัวนี้รู้ตันหาเนี่ยก็เป็นแต่ธรรมชาติรู้มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นตัวเราด้วยรู้สึกไหมรู้สึกเป็นบางครั้งครับนั่นแหละดูไปเรื่อยนะจะพบว่าตัวเราไม่มีครับผมคือเราภาวนาจนกระทั่งถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้ คนที่ถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เรียกว่าพระโสดาบัน <ขอ S 1> ฉะนั้นภาวนาต้องเอาให้ตรงเป้านะอย่าอ้อมอมหลายคนภาวนาแล้วบอกทาาําอะไรปีแต่มันอ้อมไปเรื่อยๆะทําไมไม่ดูลงมาในกายดูลงมาในใจจนเห็นว่าไม่มีตัวเราพระโสดาบันละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราะพระอระหันต์นั้หมดความยึดถือในกายในใจนั้นเรียนรู้ลงในกายในใจนี่รู้ลงไปเรื่อยๆนกลับนะมันสการหลวงพ่อค่ะ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 ศึกษาด้วยการอ่านการฟังการเรียนอย่างนี้เรียกว่าศึกษาในภาคปริยัตเพื่ออะไรเพื่อจะรู้วิธีปฏิบัติถัดจากนั้นศึกษาด้วยการลงมือปฏิบัติคือลงมือตามรู้กายรู้ใจอย่างนี้เราถือจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงได้นะเจ้าค่ะถ้าเป็นชาวพุทธโดยการไปปฏิญาณตนแต่ไม่ศึกษาธรรมะนะไม่ใช่นะมันหลอกลวงนะหลอกลรงภาพยนตันเด็กๆก็เหมือนกันแหละอยู่โรงเรียนเขาพา ไปปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะนะนิมนต์ปลามาสวดสวดเป็นแหลไหครูสั่งให้สวดก็สวดน่ะแต่เราก็เป็นพุทธมามะกะแบบของเราเนาะแต่ถ้าเล่ารักษาศีลห้าไว้ได้และกุศลและกรรมบทสิบและมรรคแปดให้ได้เนี่ยจะดีที่สุดใช่ไหมเช้าคะสำหรับคราวาดคือมันมีเยอะใช่ไหมคุณธรรมฝ่ายดีคุณฝึกสติไว้ ถ้าคุณ <Okay. S 1> มีสตินะคุณก็มีกุศลกรรมบทมีศีล น, น ะ, จะเจริญมากจเจริญโพชฌงนะอินทรีก็จเจริญ น, นะทำม้าฝ่ายดีมันจ ะ, จ ะ, จะเจริญได้ <Okay. S 1> ถ้าขาดสติตัวเดียวนี่สิ่งเหล่านี้ไม่มีหรอกงั้นต้องเรียนนะเรียนเรื่องสติค่ะต้องปฏิบัติสมถภาวนาและเอ่อให้ได้วิปัสสนาภาวนาและรักษาสิล น, นั้นไวให้ได้ใช่ไหมจ๊กค่ะต้องรักษาศีล น, น ะ, ะนการปฏิบัติเนี่ย ทำสมถะได้ก็ทำนะทำวิปัสสนาได้ยิ่งดีใหญ่นะทำทั้งสองอันนะ่ะยิ่งดีแต่ถ้าทำได้อันเดียวนะทำวิปัสสนานะ <c oughs> บางคนนะ่ะพวกเราชาวเมืองเราทำสมถะยากนะยกเว้นแต่คนที่ชอบจริงๆอย่างผู้เท่าเนี้ยชอบก็จะทำสมถะอย่างพวกเราแต่ละวันยุ่งอยู่ตายไปวันวันวนึงคิดทั้งวันพอตกค้าก็จิตใจก็ฟุง้งมาเละเทะมาเต็มที่แล้ว มาทำสมาธนั่งหลับไปส่วนใหญ่นั่งหลับเพราะมันเหนื่อยนะแล้วชาตินี้จะรอให้ทําสมาธเต็มที่แล้วจะไปเจริญวิปัสสนานะชาตินี้คงไม่ได้ทําวิปัสสนาเจนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> สมาธไม่เต็มนะงั้นพยายามฝึกนะช่วงไหนมีโอกาสปลีกตัวไปภาวนานะทําความสงบทําอะไรก็ ท, ทําเถอะทุกวันทําสมาธละเอียดไม่ได้ก็ทําสมาธิตื้นๆไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้ก็ได้สมาธนะเราสวดมนต์ไปเรื่อยๆ <c oughs> สวดยาวๆเมื่อเนะเราก็สวดสั้นๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปให้ใจเราเคล้าอยู่กับพุโทโธแค่นี้ก็ได้สมถะแล้วถัดจากนั้นเราก็มาคอยรู้กายคอยรู้ใจของเรานในชีวิตประจำวันต้องรู้สึกรู้กายรู้ใจให้บ่อยๆถึงจะเจริญปัญญาถึงจะเป็นชาวพุทธจริงๆนะลาพังทําแต่สมถะคนาศาสนาอื่นเขาก็ทําเป็นความความคิดคิดแล้วรู้แต่จะรู้ได้ก็เพราะคิด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 แต่อาศัยคิดหมายความว่าอะไรท่านสอนตรงนี้เพื่อจะบอกพวกเราว่าอย่าไปเลิกคิดนะจิตมีหน้าที่คิดจิตมีธรรมชาติคิดก็ให้เขาคิดของเข้าไปแต่เขาคิดแล้วเน่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้คอยรู้ไปไม่ใช่ฝึกให้ผิดธรรมดานะคิดไม่เป็นนะฝึกจนกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินคงไม่มีใครอยากฝึกหรอกแล้วความคิดที่ขัดแย้งแม้แต่เราจะคิดให้อภัยกับคนที่ทําให้เราน้อยใจเสียใจแต่บางครั้ง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 นั้นเรามีสติรู้ลงในกายมีสติรู้ลงในใจนะหเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาหเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสิ่งแปลปลอมเข้ามาจิตที่ไปรู้ก็ไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าใหม่ๆยังทําไม่ได้เยังทำไม่ได้ทําเท่าที่ทําได้นะงั้นโกรธก็ถือศีล5ไว้ก่อนอย่าไปด่าเขาถือศีลไว้ก่อนแล้วโกรธมากๆเดินหนีไปอย่าไปตีเขา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 ถ้ายกตัวอย่างที่ปลอดภัยกับพระก็ต้องยกตัวอย่างตามคำพีใช่ไหมอย่าง <laughs> เรื่องพระ น, นเนี้นะพระนรนเคยทําบุญแล้วก็อธิษฐานขอให้รูปหลอ่อเกิดมาอีชาติหนึ่งรูปหลอ่อเฟีย้ยวเลยเลยไปเป็นชู้กับเขาตกนรกอยู่นานพ้นจากนรกนะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นวัวเป็นวัวรูปหลอ่อนี่ตอนไม่ได้บอกนะว่าเป็นผีนรกรูปหล่อหรือเปล่านะ แต่ตอนนี้เป็นวัวก็วัวรูปหล่อวัวสาวๆเดินตามทั้งวันเจ้าของลาคาญนะจับไปตอนตอนเป็นวัวตอนอยู่ห้าร้อชาติอย่างนี้นะห้าร้อยแปลว่าเยอะนะไม่จำเป็นต้องห้ารอยเป๊ะๆหรอกห้าร้อยแปลว่ามากเจ็ดแปลว่าไม่มากเสร็จแล้วก็มาเป็นคนนะไม่สมประกอบอีก น, นานกว่าจะเป็นคนสมประกอบท่านเหล่านี้ท่านเหลลึกชาติได้นะท่านถึงได้มาบอกพวกเราว่าอย่าทําบาปนะไม่ดีเลยทําบาปแล้วกลับมาเป็นคนนี่ยากที่สุดเลย การเป็นคนนี่สำคัญมากนะสำคัญจิตของคนหรือจิตของมนุษย์เนี่ยเป็นจิตที่สูงที่สุดนะเป็นจิตที่ดีที่สุดเป็นจิตที่ประเสริฐที่สุดมนุษย์ถึงแปลว่าผู้มีใจสูงพระพุทธเจ้าไม่เรียกเทวดาไม่เรียกพรหมว่ามนุษย์นะเพราะใจไม่สูงพวกเทวดาพวกพรหมจะตายเนี่ยเพื่อนจะเตือนขอให้ได้เป็นมนุษย์แต่ส่วนมากไม่ค่อยได้เป็นหรอกมันเพลิดเพลินมานานมันหลงมานา น, นมากจะไปอับายงั้นการที่เราเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าเป็นของยาก ก่าจะได้เป็นมนุษย์เป็นของยากสัตว์เยอะนะสัตว์ที่มองเห็นสัตว์ที่มองไม่เห็นเยอะแยะไปหมดเลยการเป็นมนุษย์เป็นของยากมากเลยแถมพวกเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยสมบูรณ์ในกายสมบูรณ์ในใจพร้อมที่จะเจริญปัญญาเราต้องใช้โอกาสจังหวะที่ดีที่สุดในชาตินี้แหละเราเป็นคนที่พร้อมเราได้เจอธรรมะด้วยเราสนใจด้วยหมบางคนเจอธรรมะก็ไม่สนใจนะ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 โอกาสที่พวกเราจะได้เป็นมนุษย์ในเวลาที่มีศาสนาแล้วเราก็มีศรัทธาที่จะเรียนแล้วก็มีโอกาสได้เรียนมีน้อยที่สุ د. ดท่านถึงบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากพวกเราในชีวิตนี้ในขณะ น, นี้เรียกว่าเราเป็นนาทีทองในสังสารวัตรครั้งหนึ่งนะในสังสารวัตรไม่ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะเนี่ยครั้งหนึ่งในสังสารวัตรนะน้อยครั้งนะในสังสารวัตรที่จะได้เกิดมามีคุณสมบัติสมบูรณ์ขนาดนี้ งั้นพวกเราอย่าทิ้งโอกาสที่ดีไปรีบศึกษากายศึกษาใจตัวเองไว้ะถ้าพลาดจากตรงเนี้ยเมื่อไหร่จะเจออีกไม่รู้นะเมื่อไหรจะเจออีกก็ไม่รู้บางคนหวังจะเจอพระศรีอาน์ัวแต่เข้าสมาธินู่นพระศรีอาน์ิพ่านไปหลายกลับแล้ว ย, ยังไม่รู้เรื่องเลยนะอหรือมัวแต่เป็นเทวดาเพลิดเพลินไปนะพอพระศรีอานมานะก็เฮกันมาฟังธรรมะนะฟังเสร็จแล้วกลับไปเต้นระบำต่อนะอนิสัยอย่างนี้ก็เยอะนะอ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 <c oughs> กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะไหนไหนอยู่ไหนอ่อก่อนอื่นขอกาบเรียนพระอาจารย์ก่อนว่าตัวเองเป็นคนห่างไกลครูบาอาจารย์แล้วก็ทุกวันนี้ปฏิบัติก็คือฟังจากซีดีของของพระอาจารย์แล้วก็ได้ไ ด, ได้ฟังในซีดีบอกว่าถ้าจิตหนักเนี่ยคือผิดทางแต่ถ้าจิตเบาเนี่ยอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ทุวันนี้รู้สึกว่าจิตไม่ได้หนักแต่ไม่แน่ใจว่ามาถูกทางหรือ ย, ยังอะคะ่ะ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 อย่างเราจิตใจฟุ้งซ่านไปช่วงหนึ่งเนะี่ยเรามานั่งดูนะกิเลสไม่มีแล้วนะแต่ใจยังหมุนอยู่นะยังหมุนอยู่หรือหนักๆอยูนะ่ต้องรับความทุกข์ไปก่อนนะสมน้ําหน้าอันนั้นเราต้องมีวิธีแก้ไขวิบากอะไรอย่างนี้มั้งครับถ้าจะแก้ไขคือเป็นนี่เราไม่ใช่ น, นีนะ่มีวิบากให้รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางแล้วที่ผมปฏิบัตินี้มีวิธีต้องแก้ไขปรับปรุงไงบ้างครับไม่ต้องอะที่ทําอยู่ใช้ได้แล้ว แต่ตอนนี้ไม่ได้นะตอนนี้ขาดสติแล้วก็ตื่นเต้นเลยบังคับตัวเองดูออกไหมเอะเอะทางนี้เขามีที่นั่งถามเหรอรู้สึกใครจะถามต้องมานั่งตรงนี้อ๋อนึกว่าทางนี้ต้องมีสแตนไว้ถาม <c oughs> จริงๆนะอย่าถามเยอะดีหัดดูเอาเองครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะนะสอนสั้นๆ ในที่วัดหลวงพ่อตอนนี้มีพระองค์หนึ่งท่านมาเรียนทุกวันเลยท่านมาอยู่ข้างๆวัดลูกศิษย์หลวงพ่อทุยหลวงพ่อทุยลูกศิษย์หลวงปู่ขาวอีกทีหท่านบอกว่าไปอยู่กับหลวงพ่อทุยภรรษาแรกนะหลวงพ่อทุยสอนท่านอยู่เรื่องหนึ่งเป็นหลักอย่าขี้เกียจ น, นะ <c oughs> เรียนเรื่องไม่ขี้เกียจอยู่ภรรษาหนึ่งนะอีกภรษาที่สองพุดโธรไว้ผู้บาอาจารย์ไม่สอนเยอะให้พูดโธไว้ท่านก็พูดโธไปเลย พอพรรษาที่3ทั้งสอนใหม่มีสติไว้ข้อวัดทั้งหลายสำคัญนะถึงเวลาต้องไปทำข้อวัดของพระไปบินทบาดไปกวาดวัดไปทำอะไรต่ออะไรเนะี่ยไม่บอกเหตุผลหรอกจะสั่งอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์จริงๆนะในสายครูบาอาจารย์วัดป่าจริงๆถ้านไม่สอนเยอะหรอกท่านสอนเรานิดๆหน่อยๆแล้วให้เราไปรูปๆคลำๆเป็นปีๆเลยป่าจะเข้าใจบางงานตั้งหลายปีนะป๋าจะเข้าใจบางเรื่อง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 ในมหาสติปัฏฐานมีคำกริยาหรือเว็บมีอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้หนหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หยุดหายใจก็รู้มีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้นั่งก็รู้จิตมีราคาก็รู้ไม่มีราคาก็รู้มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะก็รู้ไมมีแต่คำว่ารู้ พรงั้นงานหลักของเราจริงๆก็คือรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละไม่ใช่ไปเพ่งเขาไปบังคับเขาไปแก้ไขเขาพยายามรู้เขาอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเล่นเล่นการรู้ก็ต้องตามรู้ถ้าถึงใช้คำว่าอนุปัสสนากายานุปัสสนาการตามรู้กายเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนานะจิตานุปัสสนาตามรู้จิตมันเป็นยังไงแล้วรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปแกล้งทำนะอย่าไปแกล้งทา น, น, นั้นนั้นนี้ขึ้นมา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 คือคนที่ไม่ชอบทำสมถะนะหลวงพ่อพบอะไรอย่างหนึ่งนะ <c oughs> คนที่บอกว่าไม่ทำสมถะไม่ชอบสมถะนะแต่ติดเพ่งนี่เยอะมากเลยนะเ <c oughs> <c oughs> ต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะบอกพวกที่ทำหิปัาสนาล้วนๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเพ่งแต่หนูนี่สังเกตตัวเองว่าหนูไม่เพ่งอะฮะหลอค่ะ <c oughs> <c oughs> เอาด้ว่าหลวงพ่อสอนว่าเพ่งคือปูมแต่งแล้วผิดให้ดูไปตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะก็นหนูก็ดูแล้วเห็นอะไรก็บางครั้งเห็นแบบจิตมันไปปูมแต่งคิดอะไร้ไงค่ะก็รู้ทันเจ้าค่ะอย่างนั้นแหละดูไปนะถ้าเราดูโดยไม่เพ่งนะใจเราจะเบิกบา น, ใ จ, าจบบานใจเราจะเบาใจาจะนุ่มนวลใจจะว่องไวนะถ้าดูแล้วเพ่งนะใจจะหนักหนัก ใจจะแน่นๆใจจะแข็งแข็งใจจะทื่อๆืค่ะเจ้าค่ะหนูก็ปล่อยไปตามที่เขาจะเป็นคนะอะออตอนเนี้มันปล่อยหนีไปนอกสารา <c oughs> เลยถึงไหมตอนนี้อยากคุย <c oughs> เออต้องรู้สึกอย่างตะกี้นะตอนนี้ไม่ใช่ละ <c oughs> ตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วค่ะ <c oughs> แล้วหลวงพ่อเจ้าค่ะอย่างนี้หนูจําเป็นต้องไปนั่งสมถะไม่ต้องนะนั่งสมาธิเยอะเกินไปแล้ะค่ะเพราะเพราะหนูสังเกตตัวเองแล้วหนูหนูชอบตามตามดูเจตสิทธ์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 แล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยมันมันทำไม่ไหวแล้วภาลนอนดูเนี่ยเห็นจิตมันกระจายไปทั่วหมดเลยแต่ทีนี้เกิดผมตายช่วงนั้นก่อนแล้วผมยังยังไม่ถึงเห็นรูปนามเกิดดับจิตมันกระจายยังไงนะแบบกระจายมันมันเหมือนแบบจิตมันออกไปนอกนอกกายแวบแวบแๆไปเงี้ยอ่อถ้าเรายังมีสติ ต, ตามรู้อยู่ยังใช้ได้อยู่ถ้าเกิดต อ, ตอนนั้นตายขึ้นมาแล้ว ถ้ามีสติตามรู้นะก็จะไปสุขติครับเพราะงั้นไม่จำเป็นว่าจิตต้องดีนะจิตเรามัวมัวจิตเราฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านด้วยใจที่เป็นกลางดีนะจิตเป็นอกูสนรู้ว่าเป็นอกูสนพรูพระเจ้าบอกว่าดีแต่ถ้าจิตเรามัวมัวเราไม่ชอบนะดิ้นคลุกคลักคลุกคลักหาทางให้หายนะไม่ดีจิตไม่เป็นกลางเพราะงั้นจิตเป็นยังไงก็ได้รู้ไปอย่างที่เขาเป็น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 อมีความสุกว่าถ้าเกิดหนึ่งก็คือเห็นเห็นเห็นจิตเนี่ยที่มันดําเนินไปด้วยความรู้สึกต่างๆเนี่ยด้วยความรวดเร็วแล้วก็นับไม่ท้วนไม่จําเป็นต้องไปนับมันปัจจุบันที่สิ่งที่เห็นก็คือที่ดับไม่ได้แต่ว่ามันทุนเราลงก็คือโทสะอย่างที่เห็นที่ว่าว่าโทสะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยโทสะที่มันเกิดขึ้นนักขณะนั้นแล้วเหตุการณ์มันก็จบไปนักขณะนั้น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 มีหลายสิบคนพอน่าเก่งๆเยอะเลยนี่ก็เก่งนั่น